ย่อมมาจากหัดใหญ่ค่ะกาบเรียนหลวงพ่อช่วยชี้แนะในการปฏิบัติไม่ทราบว่ามาถูกทางหรือยังจะติดขัดอะไรบ้างยกลงยกลงกใหม่ใกล้ๆปากพ่อไม่ได้ยินไม่ทราบว่ามาถูกทางหรือยังติดขัดอะไรบ้างเห็นกิเลสไหมวันวันหนึ่งกิเลสเกิดบ่อยไหมมากมายเลยค่ะแล้วเวลาเกิดขึ้นนี่พอเสร็จแล้วรู้สึกว่า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 ถ้าใจเราเกลียดเกลียดอกุศลอะไรเงี้ยใจเราจะมีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าใจเราสักว่ารู้สักว่าเห็นนะไม่ทุกข์นะเราจะเห็นในอกุศลทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้แต่ว่ากว่าจะดับนี่นานบางครั้งต้องหลับตาผ่อนคลายดูอันนั้นเพราะสติแท้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 มมันนเป็ส ะ, ะนะกำลังจะกลับเรียนลงกลับถามหลวงพ่อเหมือนกันว่าโยมเพ่งมากไปหรือเปล่าถ้าถ้าอย่างแตะกี้มากไปนะ ม, ปนะมันต้องสบายคือในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตของมนุษย์เป็นจิตที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากที่สุดจิตของมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะจิตธรรมดานี่เองพวกเราได้ชื่อว่ามนุษย์แปบลบว่าผู้มีใจสูง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 อันนี้มันจะเป็นผลในถึงตอนนั่งสมาธิแล้วเปล่าพ่อโยมจะสมาธิไม่ค่อลงจะเห็นแต่ตัวแน่นตัวแข็งที่ออมันมาก<อ>ไปอย่าอย่าไปทำอย่างนั้นน ะ, ะพยายามเพิ่มการเจริญสติในชีวิตประจำวันแต่อย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งปล่อยให้จิตใจรู้อารมณ์ไปตามธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาเหมือนคนปกติเลย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 ขอบพระคุณหลวงพอ่อจะพยายามต่อไปค่ะครดูนะครดูใช้ใจธรรมดาจิตมนุษย์ธรรมดาดีที่สุดนะทำไมเราชื่อมนุษย์มนุษย์เพราะผู้มีใจสูงมีใจประเสริฐนะจิตใจมนุษย์ดีที่สุดเลยจิตใจมนุษย์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วมีทั้งดีมีทั้ทงชั่วอย่างจิตสัตว์นรกนี่ทุกข์เยอะเกินไปจิตสัตว์เดรัจฉานหลงมากเกินไปจิตเปรตจิตอสุรกายโลภมากเกินไป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 พวกเผลอเพลินเทวดาจะเป็นโรคประจำตัวอย่างหนึ่งพวกเทวดาเขาเรียกโรคเผลอเพลินเผลอเพลินนี่คือกิเลส ช, ชนิดหนึ่งชื่อนันธิราคะเพลินเพลินไปพอไปนึกได้อีกทีหนึ่งใกล้จะหมดอายุละใกล้จะตายอันนี้มันมีความ <c oughs> จงใจปฏิบัติะนะมีความจงใจจะปฏิบัติแล้วมันก็มีแข็งแข็งแต่มันมีความสุขด้วยมันก็พอใจที่จะทําอย่างนี้ ม, ม, ม, ม, มันมีความพอใจแยนะมันเลยจงใจไปปฏิบัตินะรู้สึกไหมมันกเฮียนกระหือจะปฏิบัติแบบเนี้ยครับมันคึกคักที่จะปฏิบัติคือเมื่อช้ามันมีฟุ้งซ่านฮนะอะดีรู้ไปเรื่อยแต่บางทีพอหลวงพอพูดแล้วเผลอๆมันก็จะหายไปอืพอรู้ตัว อ, อีกทีก็ตั้งท่าขึ้นมาตั้งท่าของคุณผู้หญิงเนี่ยใช้ลอยไปแล้วนะ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 อย่างนี้เห็นไหมจิตใจวักแวกวแวมีความทุกข์ดูไปทุกข์เพราะว่าจะให้มันหยุดวักแวกองนี้ทุกข์เพราะอยากใช่มีความทุกข์กเพราะอยากเห็นแต่ว่ามันรู้ไม่ถึงฐานมันก็เลยยังอ่าจิตไม่ถึงฐานชักเก่งแล้ววันนี้รู้ว่าไม่ถึงฐานพ่อตั้ง4ปีแล้วนะคะ <c oughs> ก็วันก่อนนะ <c oughs> จิตแม้สบายพอหลวงพ่อบอกไม่ถึงฐานนะ้องงๆ ง, งนะมันไม่ถึงยังไงใช่ไหมวันนี้รู้อลไรใช่ไหมไม่ถึงฐาน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 ถ้าเข้าใจเรื่องอื่นไม่เรียกว่าปัญญานะปัญญาจริงๆเนี่ยเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจความจริงมีเรื่องอื่นอีกนิดหน่อยยังเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องอะไรเงี้ยนะแต่เน้นหลักจริงๆในการทํำวิปัสสนาในปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจสติที่เป็นสัมมาสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกรู้กายรู้ใจสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นในขณะที่รู้กายรู้ใจนั้นสัมมาสัมมาทั้งหลายนี่เป็นเรื่องกายกับใจทั้งนั้นเลย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 น่าจะพยายามมากกว่านี้แต่ไม่กล้าพยายามกลัวมันเป็นก้อนใช่ใช่ไม่ต้องอ่ะไปอย่างนี้แหละให้มันรู้ไปมันเร็วก็ไม่เที่ยงนะมันฟุ้งมันก็ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็หมดใช่ไหมใช่มันหมดแรงฟุ้งมันก็อยู่เดองอ่ะมันก็ว่างันค่ะมันก็เลยรอคุณผู้ชายนี่ใจลอยไปแล้วเมื่อกี้นึกออกไหมใจลอยแวบไปเนี่ยลอยอีกแวบหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมใจมันหนีเนี่ยอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหม ให้รู้ทันลงไปเรื่อยๆนะแล้วไงพระข่มลก็คงรอไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมันไม่ใช่รอตามยถากรรมน ะ, ะรู้ไปเรื่อยรู้เล่นๆรู้สบายๆดูซิเธอจะฟุ้งได้นานแค่ไหน ค, คุณมนดวออกไหมในความฟุ้งซ่านไม่มีตัวเราต้องการตรงนี้ต่างหากละ่ะไม่ต้องการความสงบนะแต่ต้องการให้เห็นในในความฟุ้งซ่านก็ไม่มีตัวเราเพราะข่แต่มันเห็นไม่ตลอดไงฮะเดี๋ยวเด๋ยว<ๆ>มันก็เห็นว่าเออ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 ใจลอยแล้วรู้สึกไหมใช่ค่ะมนัมนวนใจลอยไปคิดว่าจะสารภาพว่าอุตสาหคิดว่าไม่พยายามมันก็พยายามเหมือนกันนะคะไปช่วยเขาจัดอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะและะ้วระหว่างจัดอาหารมันก็มันก็จมไปกับจัดอาหารก็ไม่เห็นแต่พอรู้ตัวก็เห็นมันฟุ้งซ่านอีกแล้วะคะ่ะแต่ตอนนี้เผลอ ใช่ครัเผอไปคิดิจะบอกุพ่อยังไงแล้วยังอยากคุยต่อไม่แล้วค่ะพอแล้วค่ะเห็นไหมหลวงให้ดูเผลอนตยังไม่ยอมดูยังจะอธิบายต่อมันยังไม่หมดเรื่องนี้พี่อยากจะคุยมีเรื่องอยากสารภาพความผิดเยอะแต่วันนี้พอแล้วค่ะเออพอละะเราไม่ใช่ศาสนาคริสต์ไม่ต้องสารภาพบาปคุณผู้ชายแถวที่สองนี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 พ่ออย่าบังคับแม่บังคับลูกเยอะนะกรรมาฐานเนี่ยต้องเต็มใจทำต้องสบายใจนะไม่เหมือนเด็กนั้นนะเด็กนั้นภาวนาเก่งที่นั่งถัดไปนนะั่นเลยเขินเลยตอนนี้เขินรู้ว่าเขินรู้ว่าเขินอาวันนี้หลวงพ่อไม่ไล่ทีละแถวแล้วนะเยอะเกินจะไล่ใครอยากคุยยกมือขึอ้นมีไหมเสื้อสีฟ้าส่งไป ล็อส่งการบ้านคือส่วนส่วนใหญ่ช่วงนี้จะรู้สึก ท, ทุกข์มากค่ะเพราะทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าดูอะไรไม่ออกแต่พยายามดูค่ะนานๆทีจะดูออกมาครั้งหนึ่งเห็นเห็นว่าความความความเครียดนะคะมันเป็นก้อนก้อนความเครียดอยู่แต่เราเราไม่ได้ทุกข์ค่ะแต่ก็จะเห็นแค่แวั๊หนึ่งแล้วมันก็หายไปแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะเห็นอย่างนี้อีกอแต่ก็จะไป กลายเป็นว่ากลายเป็นหมกมุ่นว่าดูยังไงถูกคะ่ะให้รู้นะไปอยากเห็นนะอยากรู้ว่าอยากนะไม่ใช่ว่าต้องเห็นนะถ้าอย่างความเราเรา <c oughs> เราเครียดเห็นความเครียดเป็นก้อนทุกข์นี้มาบางครั้งสติเห็นบางครั้งไม่เห็นพอไม่เห็นเราอยากเห็นให้รู้ว่าอยากเห็นไม่ต้องไปดูก้อนทุกข์ละให้ดูความอยากให้เรารู้ปัจจุบันไปขณะ น, นี้อะไรกําลังมีบทบาทหลักในการ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 แ <Okay>, yeah. หนักๆก็รู้ไปสินะรู้รไปก็เห็นเลยทุกอย่างเกิดระดับเอาหน้าเจียมมากับเขาด้วยเหรอวันนี้เอาหน้านิดก็มามานั่งหลับเนะเอาใครจะคุยต่อเชิญการรมสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อค่ะเวลาเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะคะ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 จิตที่ไปรู้ความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราทํากรรมฐานนะเพื่อได้เห็นว่าขันห้าไม่มีตัวเราไม่ใช่ทํากรรมฐานเพื่อจะข้ามเวทนาให้ได้คนละเรื่องกันนะถ้าอยากข้ามเวทนาให้ได้ก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็กินยาแก้ปวดวิธีหนึ่งเข้าฌานไปไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนามิปัสส น, นาเป็นเรื่องการละความเห็นผิดว่ามีตัวเรา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 มันมันมาเรื่อยๆ เ, เลยอะฮะเดือนกว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเราเราต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติที่เป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นวิหารธรรมมีรูปแบบอันหนึ่งไว้ช่วยนะเช่นเราอยู่กับพุทโธก็ได้นะเราเราแต่อย่า ก, กลับไปเพ่งนะ ร, รู้จักเพ่งแล้วใช่ครับเราพุทโธสบายๆไม่พุทโธเราอาจใจให้นิ่งนะพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือเราขยับนิ้วอย่างนี้ก็ได้อย่าให้คนอื่นเห็นนะเราแอบแอขยับเดี๋ยวเขาว่าเราบ้า ขยับขยับเงี้ยแล้วใจเราแวบเรารู้ใจเราแวบเรารู้<อ>มันต้องมีเครื่องอยู่อันนึงถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เลยใจจะหนีไปเที่ยวนานหลงนานนะงั้นในสติปัฏฐ า, านเนี่ยท่านบอกให้มีวิหารธรรมวิหารธรรมในสติปัฏฐานก็คือกายเวทนาจิตธรรมกายก็เป็นส่วนของรูปเวทนาก็เป็นส่วนของนามนะจิตเป็นส่วนของนามธรรมนี่มีทั้งรูปทั้งนามนะ Spa <S <S dicho, ก็รวมความก็คือเอากายกับใจของเราเป็นเครื่องอยู่ เอาอะไรก็ได้สักอันหนึ่งแล้วแต่ถนัดนะสิ่งที่ถนัดก็คือพอไปอยู่การนั้ น, นแล้วสติเกิดบ่อยไม่ใช่ไปอยู่กันนั้นแล้วสงบเคลิมเคลิมลงไปนะครับ <c ough> อย่างบางคนไปอยู่กับลมหายใจแล้วเคลิมอย่างนี้ไม่เหมาะ <c ough> มาพุทโธมาสวดมนต์เราก็ได้ <c ough> สวากขาโตอิติปิโสอะไรก็สวดไป <c ough> สวดแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราครับ <c ough> หรือบริกรมกรมกำกับเข้าไปคร <c ough> แต่ไม่ใช่เพื่อให้นิ่งค <c ough> รับกำกับเพื่อว่าหนีไปแล้วรู้ไวไวครับ <c ough>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 เราต้องคอยเตือนตัวเองควบคุมมีวินัยมีวินัยในตัวเองนะครับคนโน้นเบอร์85ยกมือแต่กี้นี่นส่งไปทางซ้ายครับมาสกันกหลวงพ่อนะครับก็เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่สถานาคิดอยียาสสาภาพบาสนะครับแต่ก็สักขอสรารภาพนิดหน่อยครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยขยันปฏิบัติสักเท่าไหร่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 ก, ก็ก็รู้ว่าไม่ดีนะครับอย่างนี้จะจะยังไงดีครับคือเราต้องถือศีลไว้นะครั บ, <ห>รบต้องถือศีลไว้ก่อนศีล ส, สมาธิปัญญาจําเป็นทั้งนั้นแหละไม่ใช่เดินปัญญาแล้วไม่ต้องมีศีล น, นะอย่างการตามรู้นี่เป็นการเจริญปัญญาบางครั้งจิตใจว้าวุ่นมากก็ต้องทําความสงบนี่คือสมาธิแต่ว่าถ้าเมื่อไรกิเลสรุนแรงเราจะทําบาปอากุศลอะไรขึ้นมาเราต้องมีศีลกั้นไว้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 ขอแนะนําอย่างไรบ้างครับโอ้ไม่มีนะหลวงพ่อยังสอนแม่หลวงพ่อไม่ได้เลยจะสรนให้แม่ภาวนาพุทโธนะพุทโธพุทโธเดี๋ยวลืมไปแล้วไม่ยอมทำครับแต่แต่เอาซีดีหลวงพ่อไปเปิดให้ให้ให้เขาฟังนั่นแหละเปิดให้ฟังไปเรื่อยๆนะถ้าเขาไม่ลำคานนะครับแต่ถ้าเขาําคานเกิดจิตอกุศลก็อย่าไปเปิดครับผมชวนเขาทําบุญทําทานอะไรงั้นไปครับผมคือสังสารวัตเนี่ยเป็นการเดินทางที่ยาวไกลมาก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 พระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าท่านไม่สรรเสริญการหยุดนิ่งในคุณงามความดีกรนะทั่งพวกเราภาวนาแล้วนะเราก็ต้องค่อยๆสังเกตตัวเองไหมมันดีขึ้นหรือเปล่านะหรือบางครั้งภาวนาพอดีแล้วประมาทเนี่ยอย่างที่หนุ่มนี่ว่ามันประมาทขึ้นมาโอ้เราทําได้ทําเก่งแล้วเลยขี้เกียจไปเลยอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องรู้ทันนะเราก็จะอย่าไปยอมหยุดนิ่งเฉยพอใจในความดีที่มีแล้ว ก็ต้องค่อยๆเรียนค่อยๆพัฒนาไปสติเร็วขึ้นเร็วขึ้นสมาธิจิตใจตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นมากขึ้นมากขึ้นปัญญาเข้าใจไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นญญ น, ม น, นะมันถึงจะพัฒนาไปเรื่อยๆอมีใครจะยกมือทาง น, างนี้คุณผู้หญิงคุณปรางกา ร, รการหลวงพ่อครับพระนิปังจะจะเจอทุกบ่อยแล้วมันก็ห่วงอะฮะแล้ว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 เคยมีคนหนึ่งนะถือศีลถือศีลไม่ฆ่าสัตว์ทำไล่ทำนาอย่างเดียวนี่ฝนมันแรงสามปนะีลูกข้าวไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นะใครๆเข้าไปจับปลากินไปฆ่าสัตว์อะไรนะี่คนนี้ไม่ทำนะกระทั่งลูกอดฟนะูงป่องเลยนะให้น้ำกินอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นกินนะถึงขนาดนั้นก็ไม่ยอมเสียศีล น, นะ อดตายเนี่ยศีลถ้าถึงขั้นปรมามัติบารมนะีปรมัตดบารมีเนะีเข้มงวดขนาดนั้นนะตายเป็นตายคนเราเกิดแล้วก็ตายถ้าตายกับศีลตายกับธรรมนะพัฒนาการในสังสา ร, รวัตนี่ก้าวไปอย่างรวดเร็วเลยแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ให้ไปตายนะถึงสู้มีสติมีปัญญาจริงๆเลยต้องเข้มงวด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 สุดท้ายก็อุเบกขาพ่อแม่มีหน้าที่เป็นพรมของลูกนะไม่ใช่มีแค่เมตตาการุณานะเนรอทมิทมนะมทม์ที่ตานั้นหมูนะเมตตากรุณาหมูุทิี่ตาน่ง่ายนะถึงอุเบกขานี่ยากแล้วถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาจริงๆอุเบกขาไม่ได้พระพรหมก็จะตกสวรรค์แล้วตอนนี้นะอา้าวคนไหนเชิญต่ออข้างหน้าเชิญข้างหน้าส่งมานะส่งมา ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็เลยเริ่มฝึกดูนะครับแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าเราคิดไปหรือเปล่านะหลวงพ่อว่ามันเผลอไปคิดแว้บๆ แ, แล้วพอมันบ่อยๆปุ๊บเนีย่ยมันก็สงสัยว่าเอ๊ะเราคิดไปหรือเปล่าหรือว่าเราจง ใ, ใจหรือเปล่าครับที่คุณดูอยู่ ด, ด, ดูถูกต้องแล้วจิตใจของคุณมันก็ตื่นขึ้นมาเยอะแล้วคุณรู้สึกไหมจิตใจเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนครับมันรู้ตื่นเบิกบานมันสงบมันสว่างสวัยขึ้นมา แต่ตอนนี้นิ่งเกินไปแล้วไปกดไว้ครับนะแล้วก็ยังมีคําถามที่ที่ฟังหลวงพ่อบอกว่าให้รู้ถึงจิตเนี่ยฮะรู้ถึงจิตถึงใจเนี่ยรู้ยังไงครับหลวงพ่อส่วนมากชอบไปหลงคิดนะหรือบางทีไปรู้อย่างอื่นนะหลวงพ่อยกตัวอย่างหลวงพ่อเคยมีญาติกันหนึ่งเป็นอาอีนะอาอี e. ตอนนั้นอยู่เมืองกาลอาอี e. มาเยี่ยมแล้วก็มานั่งฟังธรรมะฟังไปสองสามวันนะอาอีก e. ็บอกเลย เดี๋ยวนี้ไอีภาวนาเป็นแล้วไอีเห็นพัดลมรู้ว่าเป็นพัดลมนะเนี่ยมันรู้ออกนอกนะพัดลมรู้ว่าพัดลมใครมันก็รู้แต่ถ้าเห็นพัดลมแล้วอยากเอากลับบ้านเนี่ยรู้ว่าอยากเอากลับบ้านรู้ว่าโลภะเกิดอย่นี้มันเห็นขึ้นมาถึงใจตัวเองงั้นไม่ใช่เห็นแต่ของนอกนอกเห็นคนเดินมารู้ว่าคนเดินมาเห็นหมามารู้ว่าหมามาคนไม่ภาวนาเขาก็เห็นอย่างนั้น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 เราฝึกให้มีรู้ขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้หลงเท่านั้นเองในที่สุดเราจะเห็นเลยไหมจิตที่หลงห้ามมันไม่ได้จิตที่รู้สึกเนี่ยสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่รู้สึกหรือจิตที่หลงนะเท่าเทียมกันเกิดแล้ดับเราจะเห็นสภาวธรรมทั้งหลายเท่าเทียมกันทั้งกุศลและอกุศลเกิดแล้ดับทั้งสุขและทุกข์เกิดแล้ดับถ้าเห็นอย่างเนี้ใจจะค่อยเป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางใจจะไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่ง เวลาเราไปรู้อะไรเข้าเนี่ยใจจะไม่ดิ้นรนใจไม่ดิ้นรนสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริงนะในสุดใจจะวางลอยวางเข้าถึงมรรคนิพพานนิพพานก็คืออะไรนิพพานคือวิราคะใจไม่มีความหิวโหวยแล้วไม่มีความอยากนิพพานคือวิสังขารใจเราไม่มีความดิ้นรนถ้าใจเราหมดความดิ้นรนเราก็สัมผัสธรรมะ ท, ที่ไม่ดิ้นรนคือนิพพานใจเราหมดความหิวโหวยหมดความอยาก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 มันก <c oughs> ูตัวเบ้เล่อเลยซ่อนอยู่แต่ถ้าเราคอยรู้ลงในกายรู้ลงในใจเห็นสภาวะธรรมที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างของคุณเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราของคุณจิตของคุณตรงเนี้ยคุณเห็นได้ละใช่ไหมคุณเห็นได้แล้วว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราดูออกไหมความปวดความเมื่อยอะไรเนี่ยมันเป็นของถูกดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมถูกเวทนาตลอดนะครับปวดฟันแล้วมันเป็นปวดเป็นระยะระฮะแล้วมัน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 เคยมีหมอฟันคนหนึ่งม า, มาเรียนหลวงพ่อไล่ถามทีละคนนะอา้าวทำอะไรอยู่หมายถึงจิตขณะนั้นบอกเผลออยู่ค่ะทำอะไรเพ่งอยู่ครับพอมาถึงคนนี้เป็นหมอฟันค่ะ <laughs> ไม่ฟังเลยว่าคนอื่นเขาตอบอะไรนะช่างไม่ลอกการบ้านเลยนะ <laughs> ที่ทำอยู่ดีละดีนะดูไปเรื่อ ย, อ, ยอดทนนะ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 ที่ทําอยู่นี้ใช้ได้บ้า ง, างยั ง, ยงคะบเยอะไปนิดนึงโน่ น, นส่งไปข้างหลังน่นขนนอนยกที่สองขอนมัสการธรรมหลวงพ่อนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ในการปฏิบัติธรรมคือกําหนดพ อ, พองหน่อยยุบหน่อมีความรู้สึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเลยไม่รู้สึกว่าสบายหรือว่าสงบก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้แบบ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 จิตเมื่อกี้สบายตอนนี้ชักไม่สบายจิตตะกี้เบาตอนนี้ชักจะหนักๆนะให้ดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเราจะ ต, ต้องภาวนาจนเห็นเนี่ยทั้งกายทั้งใจนี่นะมันไม่ใช่ตัวเราต่อหน้า ต, ต่อตาไม่ใช่คิดเอานะจะต้องรู้สึกเอาเลยรู้สึกได้ชัดๆว่าไม่ใช่เราอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาะที่ทําอยู่ดีนะแต่ดีอย่างสมัตนะิใครทําได้ก็ดีแล้วละ่นะดีทมไปแล้วนะหลวงปู่เทศก็เคยสอนนะ บอกว่าถ้าทํากรรมาฐานตัวอื่นนะทำสมถะตัวอื่นไม่ลงนะให้ทํามรณสติอย่างเราโกรธใครสักคนน ะ, จะเจริญเมตตามไม่หายนะให้คิดถึงว่าเดี๋ยวเราก็ตายนะพิจารณาลงไปร่างกายนี้นะค่อยๆแก่ไปค่อยๆตายนะตายแล้วศพขึ้นอืดขึ้นพองนะจนกระทั่งน้ําเหลืองน้ำหนองไหลตัวเหี่ยวลงมานะตัวแห้งไปอะไรเงี้ยหรือเอาไปเผ า, านะเสร็จแล้วมันไม่โกรธเขา แต่ต้องพิจารณาตัวเองตายนะอย่าพิจารณาว่าให้มันตายซะเถอะมันตายเร็วๆนะอย่างงี้ไม่หายโกรธนะอ้าวเชิญใครจะยกมือเชิญอ้าวคนนี้วัยเบอร์สี่สิบมั้งหน้านะนี่ช้ากว่าเขาทุกที <laughs>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 อะให้คุณผู้ชายนีท่ทียกหลายรอบแล้วย ก, ยกไม่ทันเด็กยังไตอนนี้ผมนั่งสมาธิอยู่นะเห็นจิตมันเข้ามารวมแล้วก็พอมันมันมีเวทนาเกิดขึ้นมามันมีจิตส่วนให้ไปดูเวทนาอืมแล้วก็ไอตัวที่ที่ดูนะ่ะมันก็มีอีกตัวหนึ่งแล้วก็เห็น เวตนาเวทนานก็ไม่คงที่ใช่ใช่แล้วมันก็รวมรวมเข้ามาที่ที่ความสบายอืแล้วพอตอนนั้นจิตมันก็จะถอยไปอีกแอบไปคิดที่อื่นอีกอืแล้วก็พอหลังจากนั้นเราเราก็ตามดูไปจนตัวนั้นดับปุ๊บมันก็กลับเข้ามาที่สงบอีกอแต่แล้วมันมันก็หนีไปคิดอีกอืก็ตามดูงี้ไปเรื่อยอันนี้ ดูไปเรื่อยๆนะแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากเป็นลักษณะธรรมถาหรือไม่แม่<ๆ>เราเดินปัญญาอยู่เราเห็นญญทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดั บ, บนะเกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราดูไปนานแล้วใจฟุ้งซ่านเราก็ทําความสง บ, บดูแล้วแหมมันเกิดดับถี่ยิบเลยดูไม่ทันละชัฟุ้งไปหมดละอันนี้ทําสมาธิทําความสงบแล้วถ้าอย่างก็มีว่ า, าในเมื่อมันมันมีจิตตัวหนึ่งที่ว่าทำไปสักพักหนึ่ง มิดจิตตัวรูกว่าพอได้แล้วแต่แต่แต่ผมไม่เชื่อมันเพราะว่ามันเป็นการแบบจะให้เราล้มเลิกทางนี้ใช่อย่าไปเชื่อมัน ก, ก, ก็ ด, ดูดูไปดูไปอีกพักหน่งไอ้ตัวที่บอกว่าจใจเลิกอะ่ะมันมั น, มนพอเรารู้ฐานปุ๊บมันก็หายไปเออหายไปแต่ว่าของโยมลดความจงใจดูลงนิดนึงครนะให้ดูสบายๆนะมันดูจริงจังไปนิดนึง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 เหมือนเราดูฟุตบอลดูอยู่นอกสนามอย่าวิ่งเข้าอยู่ในสนามนี่ส่วนใหญ่พวกเราเวลาดูกรรมฐานอะไรจิตเราชอบไหลเข้าไปอยู่ในสนามฟุตบอลเดี๋ยวก็โดนเเตะออกมานะเช่นเราไปรู้ลมหายใจนี่จิตเราไหลหไปนิ่งอยู่กับลมเลยทีนี้ไม่มีปัญญาเกิดขึ้นได้แต่ความสงบเพราะงั้นถ้าหากจิตมันสักว่ารู้สักว่าเห็นมันดูอยู่ห่างๆดูแล้วไม่ถลําลงไปดูดูอย่างเป็นตัวของตัวเองอยู่ ของคุณผู้ชายแถวที่3เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าถลําลงไปดูนะเมื่อกี้เนี่ยถลําลงไปอย่างนั้นจะไม่เกิดมรรคขึ้นมาเนี่ยถ้าจิตมันไม่ถลําไปดูนะนเห็นกายเห็นใจจนเป็นขนาดนั้นก็คงขาดไปและลงไปคิดทราบไหมลงไปคิดดูอย่างนี้นะดูไปบังคับตัวเองแล้วทราบไหมเกร็งละหายใจถอนใจทีถอนใจเฮือก เออให้มันได้อย่างนั้นภาวนาจนต้องถอนใจเลยนะเพราะจริงจังอา้าวใครจะยกมือเชิญหนึ่งแมวนหนึ่งก็ส่งส่งแล่วหลวงพ่อกลาวว่าสาบแล้วเลิกนูน่นคนเสื้อขาวผมยาวยาวนูน่นอา้าวเชิญกรรมนำมัติการหลวงพ่อนะคะอตอนนี้พยายามฝึกดู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 ใจเราจะหนีแวบแบแวเป็นระยะเนี่ยแล้วคอยตามดูไม่บังคับไม่จ้องไว้ก่อนอย่าไปจ้องไว้ก่อนนะของคุณผู้ชายนี่จ้องแรงไปจ้องไว้ก่อนนึกออกอยังไปรอดูอย่รอดูว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรโผล่มาให้ดูเงี้ยหรือเที่ยวไปหานะเที่ยวไปกวานกวนพอไปเจออะไรเข้าสักตัวแล้วไปจ้องไว้อย่างนั้นไม่ถูกหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมถือไม้นะคนที่ถือไม่อ่ะใจลอยไปคิดแล้วรู้ไหม งงแล้วรู้ไหมรู้ไหมว่างงเ<ะ>นี่ยใจกำลังงงรู้ว่างงเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยง่ายจะตายไปเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมไม่ห้ามนะเพียงแต่รู้ทันใจไปคิดรู้ว่าไปคิดใจไปดูรู้ว่าไปดูใจไปฟังรู้ว่าไปฟังใจเป็นสุกรู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจสงสัยก็รู้เนี่ยไปคิดใหญ่เลยรู้ไหมกาลังคิดใหญ่เลยรู้เปล่า <inate> ไม่ได้ห้ามนะแต่หัดรู้ตัวเองหัดรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆพอไหวไหมอย่างนี้ยากไปไหมถ้ายากไปเอาง่ายกว่านี้ก็ได้นะถ้าอยากง่ายกว่านี้นะท่องพุทโพธนะพุทโธพุทโธพุทโธไปนะพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธแล um ้วใจสบายรู้ว um ่าสบายพุทโธแล้วใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าใจหนีไปคิดเรื่องอื่น พุโทโธแล้วมีความสกหรือว่ามีความสุขพุโทโธแล้วฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านพุโทโธแล้วใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอไหวไหมค่ะอองั้นก็ไปทําเอาเอา้าวใครจะยกมือต่อไปมีไหมหนึ่งสองไม่มีนะไม่มีแล้วนะอไม่มีเชิญกลับบ้านไปวันนี้มีซีดีแผ่น16ออกมาแล้วนะไปฟังซะเอาไปฟังทันพอดี